บทที่ห้าสิบเอ็ดรอยแห่งความดีเมื่อได้ทรงสดับพระดำรัสของสมเด็จพระชบิดาดังนั้นเจ้าชายกุณาละผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเป็นอันมากมีความสงสารยิ่งนักเป็นผู้ละได้แล้วซึ่งความพยาบาท ได้ถวายบังคมพระราชาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐความเจ็ดแค้นของพระองค์หม่อมชันก็เห็นอยู่หม่อมชันขอพระชทานพระกกรุณากราบบังคมทูลข้อความบางประการหากมีพระบรมราชาอนุญาตเมื่อจอมจกักรพรรดิอโศกทรงอนุญาตแล้วเจ้าชายจึงกราบบังคมทูลว่าพระองค์ผู้ประเสริฐ หม่อมชั้นเชื่อว่าการทําลายพระชนของพระนางติสยรักศิตานั้นไม่อาจช่วยให้หม่อมชั้นมีดวงเนตรดีดั่งเดิมได้อันหนึ่งนั้นอาจนําความเสื่อมพระเกียรติมาสู่พระองค์หากใต้ฝ่าระอองทุลีพระบาททรงโปรดหม่อมชั้นแล้วหม่อมชั้นใคร่ขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่พระนางติสยรักศิตานในครั้งนี้สิ่งไรในโลก ที่จะมีผลยิ่งกว่าขัดติและเมตานั้นไม่ได้มีทำทั้งสองอย่างนี้อันพระสุคตเจ้าเป็นผู้เลื่อมสายยิ่งแห่งพระองค์ทรงสรรเสริญไว้แล้วมากหลายเช่นว่าความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธและหลงเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนนำความสุขมาให้ความอดทนเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะ ความอดทนเป็นอลังการของนักปราชผู้มีเมตตาและขันติย่อมเป็นผู้มียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นหม่อมชั้นจึงใคร่ขอพระชทานอภัยโทษแก่พระมาณดาในครั้งนี้เจ้าชายได้กราบทูลต่อไปว่าแม้จะได้รับทุกทนหม่นไหมถึงปานนี้หม่อมฉั้นไม่รู้สึกเจ็บแค้นเลยไฟคือโทสะ ไม่ได้ลามเลียจิตใจของหม่อมชันเลยภายในจิตใจของหม่อมชันไม่มีอะไรเลยนอกจากความรู้สึกกตัญอยู่ต่อพระมารดาผู้สั่งให้ควักในตาของหม่อมชันเพราะเมื่อหม่อมชันเสียมังสาจักสุอันเป็นของไม่เชียรังนี้แล้วหม่อมชันก็ได้ธรรมจักสุซึ่งเลิศข้ากว่าเพื่อเป็นพยานในสัจจะนี้ด้วยเดชแห่งสัจวาจา ขอให้ในตาทั้งสองของหม่อมชันจงกลับดีดังเดิมพลานุภาพแห่งสัจจะนั้นมีอยู่จริงดังนั้นพอเจ้าชายอธิษฐานตั้งสัจวาจายังไม่ทันขาดคำดีพระเนตรก็ปรากฏขึ้นเหมือนเดิมพระเจ้าอาโศกและพระนางติสยรักษิตาทรงตกตะลึงอย่างมากไม่ทรงนึกเลยว่าเหตุการณ์จะเป็นไปได้ถึงปานนั้น พระนางการจนามาลาเล่าทรงตื่นเต้นและปลื้มพระทยัยไม่มีอะไรเปรียบปาลทรงกระโดดเข้าสวมกอดพระสวามีพร่ำรำพันถึงคุณความดีนานาประการน้ำพระเนตรนองพระพักด้วยปีติจอมจั ก, กรพัชก็เช่นกันเข้าสวมกอดพระอารถเหมือนแก้วอันแวววาวล่องลอยมาจากอากาศลงสู่พระหัต แต่พระนางติสยรักสีธานั้นไม่กล้าทำเช่นนั้นแต่กลับมอบลงแทบพระบาทเจ้าชายมิได้รังเกียจสักนิดหนึ่งว่าเจ้าชายนั้นทรงอยู่ในฐานะเป็นโอรสของพระนางธรรมานุภาพธรรมานุภา พ, าภาพจึงมีผลอัศจรรย์อะไรปานนี้จริงแน่แล้วทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝน บุคคลผู้ไม่ทิ้งธรรมทำย่อมไม่ทิ้งเขาผู้เคารพธรรมทำย่อมให้ความสุขแก่เขาอะไรเล่าในโลกนี้จะให้ความเย็นใจเท่าการประพฤติทธรรมตั้งอยู่ในสุจริตไม่คิดจองเวีนจองกรรมแก่ผู้ใดมีใจปลอดโปรง่งสงบเย็นธรรมานุภาพ ประนันก็ตามพระเจ้าอาโศกรับสั่งให้นำพระนางติสยารักษิตาไปจองจำในที่คุมขังเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดให้สมควรแก่โทสานุโทษเพื่อผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในโลกพระองค์เป็นผู้ปกครองจะต้องลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อให้เขาสํานึกและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงยางแก่ผู้อื่นต่อไป ทราบว่าพระนางติสยารักสิตาได้สิ้นพระชนในที่คุมขังนั่นเองจอมจกักรพรรดิทรงสงสัยเรื่องพระเนตรของเจ้าชายกุณาละมากวันรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้สีครินสาสวัส์และเวนุบาลเข้าเฝ้าโดยเฉพาะสาสวัส์เวลานี้พระราชาต้องการมากเพื่อช่วยเปื่องข้อกังขาของพระองค์ เป็นไปได้หรือสาสวัตรพระราชาตรัสถามด้วยการตั้งจิตอธิษฐานเปล่งสัจวาจาเพียงเท่านั้นตาซึ่งบอดไปแล้วกลับคืนดีโดยฉับพลันขอเดชะสาสวัตรกราบบังคมทูลเป็นได้หรือไม่พระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองอยู่แล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนจนไม่น่าจะมีคาอธิบายอะไรเพิ่มเติมสาสวต ฉันหมายความว่าอะไรเป็นข้อลี้ลับในเรื่องนี้ฉันงงเลือกเกินมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่นี่ฉันเห็นด้วยตาของฉันเองมันเป็นไปได้จริงๆเป็นไปแล้วเวลานี้ลูกกุนาละสวยงามเหมือนเดิมไม่มีข้อลี้ลับอะไรสาสธุทูลแรงอธิษฐานซึ่งอยู่บนรากฐานแห่งกุศ ล, ลกรรมสัจวาจา ซึ่งมีเมตตากรุณาเป็นตัวนำนั้นให้ผลเกินคาดหมายอันหนึ่งเจ้าชายกุณาละนั้นทรงเป็นโสดาบันบุคคลมีบารมีธรรมมีพระไทยบริสุทธิ์มากกว่าสามัญชนหรือปุถุชนท่านเป็นผู้ยึดมั่นในธรรมตลอดมาแม้พระนางติสยรักศิตาทรงทำความเจ็บปวดให้ถึงขนาดนั้น ก็ไม่มีพระไทยคิดประทุษร้ายตอบแม้แต่น้อยบุคคลผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมเมื่ออธิษฐานปรารถนาสิ่งใดก็มักสำเร็จเสมอขอเดชะมหาราชสาัุทูลต่อไปบุคคลผู้อันกุศลธรรมอุ้มชูแล้วดีกว่าอะไรอุ้มชูทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรขัดขวางได้ บุคคลผู้อันบาปกรรมลงโทษก็เหมือนกันไม่มีอะไรต้านทานได้หากบุคคลเป็นผู้อุ้มชูความเจ็บอาจตัดรอนความตายอาจทาลายการอุ้มชูนั้นได้หรือบุคคลลงโทษผู้ถูกลงโทษอาจหลบหลีกเลี่ยงหนีเพราะโลกนี้ยังกว้างแต่บุคคลที่กรรมชั่วลงโทษถึงคราวที่กรรมชั่วจะให้ผล เขาจะหลบหลีกไปอยู่ที่ใดไม่ว่าบนท้องฟ้าหรือมหาสมุทรบนภูเขาหรือท้องน้ําในป่าหรือปราสาส์ไม่อาจจะหลบหลีกวิบากกรรมนั้นได้เมื่อถึงคราวที่กุศ ล, ลกรรมอันสั่งสมไว้จะผลิดผลอุ้มชูใครขัดขวางนั้นก็ถึงความวิบัติเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมเจ้าชายกุณาละก็เป็นทำนองนี้เมื่อแรงแห่งอุศลกรรมช่วยอุ้มชูก็ไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้เมื่อแรงแห่งอกุศลกรรมจะให้ผลก็บันดาลให้เป็นไปแม้สิ่งที่ไม่คาดฝันคาวิสัชนาของสาสวัสด์แต่โดยย่อทำให้พระราชาทรงปราโมท และทรงเพิ่มภูลอุตสาหะในกุศลจริยาตั้งพระทัยหนักแน่นยิ่งขึ้นว่าตลอดพระชนชีพนี้จะทรงฝักฝ่ายแต่กุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมในส่วนคดีโลกนั้นจะทรงปกครองไพ่ฟ้าข่าแผ่นดินโดยยุติธรรมบำบัดทุกบำรุงสุขแห่งเขา ชักจูงให้เข้าดำเนินไปในทางธรรมซึ่งพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าเป็นทางเดียวที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและนำความผาสุกมาสู่อาณาจักรและปวงชนในส่วนคดีธรรมนั้นทรงฝากฝ่ปฏิบัติธรรมด้วยพระองค์เองมิใช่เพียงแต่ทรงชักนำผู้อื่น ทรงบำรงพระพุทธศาสนาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมแห่งพระสงฆ์ทรงส่งเสริมการประกาศพระพุทธธรรมทรงเป็นเอกอักคราศาสนูุปถัมภพกแม้ศาสนาลทัทธิอื่นๆพระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์ตามสมควรข่าวเรื่องเจ้าชายกุนาละกค่อยๆรั่วไหลไปจากราชสำนักสู่ประชาชนทีละน้อยเมื่อวันเวลาล่วงไป ข่าวนั้นก็แพร่กระจายมากขึ้นจนเป็นที่รู้กันทั่วทุกคนพอใจที่พระนางติสยรักษิตาตายในที่คุมขังและพอใจต่อกรรมอันงามของเจ้าชายกุณาละพระองค์ไม่ได้ทำให้ประชาชนผิดหวังเลยงามทั้งรูปทั้งพระเนรและพระทยัยผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มสอนบุตรี มิแฮ้อาอย่างพระนางติสยารักศิตาสอนบุตราจให้ดำเนินตามอย่างทูลกระหม่อมกุณาละผู้ประเสริฐรอยที่บุคคลดำเนินไปนั้นย่อมตรึงตราอยู่ในความรู้สึกของผู้อื่นเสมอผู้ทำรอยดีไว้นอกจากจะประสบผลดีด้วยตนเองแล้วยังเป็นการประทับรอยไว้ให้คนรุ่นหลังถือเป็นทิฏฐานุคติ ดำเนินตามชื่อว่าได้บุญสองชั้นสำหรับรอยชั่วนั้นก็มีประโยชน์สำหรับคนฉลาดจะได้ถือเป็นบทเรียนว่าการทำอย่างนั้นเป็นความชั่วแล้วหลีกเสียแต่หากคนอื่นดำเนินตามผู้ทำรอยไว้ดีก็ควรจะประสบบาปสองชั้นเช่นกันการสอนนั้นมีอยู่สองอย่างคือสอนโดยพูดให้ฟังอย่างหนึ่ง และสอนโดยทำตัวอย่างให้ดูอีกอย่างหนึ่งการทำอย่างไม่ดีจึงชื่อว่าสอนให้คนทาไม่ดีโดยทั้งที่ผู้สอนและผู้ตามได้ทำไปโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าลัทธิที่สอนคนมิให้เชื่อบุญเชื่อบาปนั้นจึงเป็นเสมือนทรายหรือรอบที่ดักปลา มันตั้งอยู่เพื่อความพินาศแห่งปลาที่หลงเข้าไปในเครื่องดักนั้นคุณความดีของเจ้าชายผู้ประเสริฐได้แผ่กระจายไปทั่วอาณาจักรมคตสมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากลิ่นศีลหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมเป็นกลิ่นหอมกว่าสุขนทชาติทั้งปวงแล้ ว, ว่าสัตว์บุรุษย่อมปรากฏในที่ใกล้เหมือนหิ ม, มวันตบัรพศ อันอสัตบุรุษอยู่ในที่ใกล้ก็ไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที่บุคคลยิงไปในที่มืดในราตรีและว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเจ้าชายกุณาละทรงประพฤติ ธ, ธรรมสม่ำเสมอจึงฟุ้งไปด้วยเกียรติและเป็นเกียรติที่แท้จริงไม่ใช่เกียรติปลอมที่บุคคลขวคว้า หามาโดยการเบียดเบียนผู้อื่นโดยการทำลายเกียรติของผู้อื่นเพื่อพดุงเกียรติของตนมิใช่เกียรติซึ่งตั้งอยู่บนการคดโกงทุจริตถ้าจะมีเกียรติเพราะเหตุนั้นก็เป็นคนไร้เกียรติเสียดีกว่าเพราะเกียรติอย่างนั้นก่อแต่ความทุกข์ใจให้แม้ชื่อว่าเป็นคนมีเกียรติโดยตาแหน่งหน้าที่ แต่ใจของคนหานิยมไม่เรื่องของเจ้าชายกุนาละได้แพร่ะสะบัดเข้าไปแม้ในหมู่ภิกษุสงฆ์ท่านเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีอนุโมทนาต่อน้ำพระทัยอันประเสริฐของเจ้าชายผู้มีดวงเนตรเหมือนนกกุนาละภิกษุหลายรูปนั่งหลับตาภาวนาพรให้เจ้าชายมีพระชนมายุยืนนานปราศจากโรคภัยเบียดเบียน นี่แหละความดีมิใช่จะกอบประโมทให้แกผู้ทำเองเท่านั้นแม้ผู้อื่นเมื่อได้ทราบก็พลอยปิติไปด้วยมันให้ผลเป็นความชื่นใจทั้งแกผู้ทำและผู้รับทราบส่วนความชั่วนั้นมีผลตรงกันข้ามคอยบั่นทอนสุขภาพจิตของผู้ทำให้เสื่อมโทรมนำความผิดหวังมาสู่ปิยชน มีมารดาบิดาและญาติพี่น้องเป็นต้นจึงควรหลีกเลี่ยงความชั่วทั้งหลายเสียพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบัณฑิตในโลกนี้เมื่อเรียวแรงกำลังและความพยายามยังมีอยู่ควรเว้นบาปทั้งหลายเสียให้เหมือนคนมีจักษุดีเมื่อเดินทางเว้นทางอันเป็นลมเลนเสียฉนั้นพระเจ้าอาโศก สมเด็จพระราชบิดาของเจ้าชายกุณาละนั้นทรงปลื้มพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงอิ่มเอ็มกับความดีงามของเจ้าชายกุณาละพระราชโอรสก็อะไรเล่าที่จะนำความปิติประโมทมาให้แก่บิดามารดาเสมอด้วยการได้ทราบว่าบุตรธิดาเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปอะไรเล่าที่นำความสุขใจมาให้แกมารดาบิดา เสมอด้วยการได้เห็นบุต ธ, ธิดาได้เหยียบปอยอันเป็นมงคลไว้ให้คนทั้งหลายได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วดำเนินตาม